ตอนที่สามในวัยรุ่นประเทศอินเดียในสมัยโบราณทุกคนทราบดีว่าทุกสิ่งที่มนุษย์เราต้องการย่อมสำเร็จมาจากพื้นดินเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งทำหน้าที่ไถหว่านจนกระทั่งเกิดอาหารอันเป็นของจำเป็นและมีประโยชน์สูงสุดจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำของประเทศ ด้วยเหตุนั้นจึงเกิดมีประเพณีประจำปีที่พระราชาแห่งถิ่นแควนในยุคนั้นๆจะต้องเสด็จสู่ท้องคันไถขึ้นไถนาเป็นตัวอย่างให้ปวงประช า, าราษฎรได้เห็นว่างานกเกษตรกษิกร น, นี้ไม่ใช่งานอันควรรังเกียจหรือน่าละอายเลย <L> นักกรุงกบิลพัฒ ปลายฤดูร้อนเป็นฤดูเริ่มทำรรนาพระเจ้าสุโทธทนะก็ได้เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยขบวนหลวงเพื่อทรงประกอบพิธีรัชนังขมงคลประชาชนทั้งนครได้ติดตามไปดูพระราชาของตนประกอบพิธีอันสำคัญนี้แม้พระราชาก็ทรงพาพระโอรสไปด้วยแต่ทรงให้ประทับอยู่กับพระพี่เลี้ยงตามลาพัง พระเจ้าสุดโทธนะทรงจับคันไถซึ่งประดับด้วยทองคำและทรงเริ่มไถพื้นดินมีหมู่อมาจับคันไถซึ่งประดับด้วยเงินตามหลังมาจากนั้นก็ถึงหมู่ชาวนาไถตามมาเป็นคู่คู่เพื่อพลิกดินนั้นให้ร่วนเหมาะสมที่จะหวานและปลูกต่อไป ทั้นถึงเวลาแห่งการเลี้ยงดูกันบรรดาพระพี่เลี้ยงที่ได้ทยอยกันมาสู่สถานอันสนุกสนานในการเลี้ยงดูนั้นต่างพากันเพลินจนลืมพระกุมารเสียสิน้นแต่พระกุมารกลับรู้สึกสบายพระไทยเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ได้มีโอกาสอยู่ลำพังพระองค์เดียวตามพระไทยปรารถนาทรงเสด็จดำเนินไปช้า จนถึงต้นว่าใหญ่ใบดกหนามีร่มเงาเย็นสบายทรงประทับสำรวมจิตให้ว่างโปรงจากอารมณ์ทั้งหลาย<ว><น>ข้อแรกที่พระองค์ได้เริ่มพิจารณาทรงเห็นว่าในขณะที่พระราชบิดาพร้อมทั้งอำมาตย์และชาวนาทั้งหลาย ไถนากันอย่างสนุกสนานร่าเริงเต็มที่นั้นวัวทุกๆตัวไม่ได้มีความสุขด้วยเลยมันต้องลากไถอันหนักไปตลอดพื้นดินอันเหนียวและกว้างไกลจนหมดแรงมันเหนื่อยหอบจนต้องหายใจทางปากทำให้เห็นชัดว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของสนุกสนานสำหรับมันเลยทั้งทั้งที่มันทำงานแสนหนัก ก็ยังถูกตะวาดด้วยถ้อยคําหยาบคายและถูกตีหนักถ้าหากมันทำไม่ได้ดังความต้องการของเจ้าของและในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่านั้นได้ทรงสังเกตความเคลื่อนไหวของนกและสัตว์ต่างๆ ตลอดจนมแมลงนานาชนิดพระองค์เห็นกิ้งก่าตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากซอกหินใกล้ๆพระบาทแล้วแแลบลิ้นตวัดจับกินมดเล็กๆซึ่งกำลังทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างแข็งขันแต่ในช่วงเวลาอันเล็กน้อยนั้นงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมางับกิ้งก่าแล้วกลืนกินในขณะที่ทรงประหลาดพระไทยเหี่ยวตัวหนึ่ง ได้ถลาลงมาจากคล้องฟ้าอย่างรวดเร็วจับเอางูนั้นไปฉีกกินเป็นอาหารเจ้าชายทรงพิจารณาว่าก็เมื่อสิ่งต่างๆหมุนเวียนอยู่ดังนี้แล้วความสวยงามทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ย่อมมีความสกปรกโสมมแฝงอยู่หน้าเบื้องหลัง แม้พระองค์ยังทรงยาววัยและไม่เคยรับความทุกข์อย่างใดเลยก็ตามก็ยังทรงรู้สึกว่าความทุกข์อันใหญ่หลวงกำลังครอบงำคนและสัตว์จำนวนมากอยู่ตลอดเวลาขณะที่ทรงรำพึงนั้นพระหาลืไทยก็ดิ่งลงสู่ห้วงลึกแห่งความคิดหมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแ น, แน่วแน่เป็นสมาธิ ถึงขั้นที่เรียกกันในหมู่โยคียทั้งหลายว่าประถมมชานนั่นเทียว ค, ครั้นเมื่อพิธีไถานาและการเลี้ยงได้สิ้นสุดลงแล้วบรรดาพระพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่อารักขาเจ้าชายจึงนึกขึ้นได้แต่ต่างก็ตกใจ ที่ไม่พบพระองค์ได้แยกย้ายกันออกเสาะหาจนในที่สุดก็พบพระองค์ซึ่งประทับนิ่งราวกับรูปหินสลักอยู่ภายใต้ต้นว่านั่นเองคนเหล่านั้นได้พยายามอยู่เป็นครู่จึงปลุกให้ทรงตื่นจากสมาธิได้สำเร็จและกราบทูลว่าพระราชบิดารับสั่งหาเพราะเป็นเวลาสมควรกลับพระราชวังแล้วแต่ตลอดทางเสด็จ พระหัไทยของพระองค์เต็มไปด้วยความสงสารต่อสรรพสัตว์ซึ่งแต่ละตัวล้วนต่างรักชีวิตของตนของตนอย่างเหลือประมาณและกำลังต่อสู้อยู่ด้วยความลำบากยากเข็นเพื่อรักษาชีวิตไว้นั่นเองพระเจ้าสุโธธนะทรงหวันพระไทย ด้วยคำที่พระฤาษีเคยกล่าวไว้นั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วความคิดของพระโอรสเริ่มหมุนไปในทางธรรมเสียแล้วหากไม่ระงับไว้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะต้องทิ้งบ้านเมืองไปพระองค์จะไม่มีพระโอรสสืบราชบัลลังก์พระองค์ทรงค้นหาวิธีที่จะโน้มน้าวดวงจิตพระโอรสให้เลิกละความคิดที่คนทั้งหลายเขาไม่คิดกัน ได้ทรงรับสั่งให้เกณฑ์บรรดาช่างที่มีฝีมือระดมสร้างปราสาทอันสวยงามสำหรับพระโอรส ถ, ถึงสามหลังด้วยกันปราสาทหลังที่หนึ่งสร้างด้วยไม้แก่นอย่างดีภายในบุดด้วยไม้สีดำอันมีกลิ่นหอมปราสาทอันอบอุ่นสบายหลังนี้ทรงหวังให้พระโอรสประทับตลอดฤดูหนาว ปราสาทหลังที่สองสร้างด้วยหินอ่อนขัดมันเย็นเฉียบเพื่อให้เหมาะสมที่พระโอรสจะประทับตลอดฤดูร้อนอันเป็นฤดูที่ทุกๆสิ่งภายนอกปราสาทนั้นกาลังร้อนระอุอยู่ด้วยแสงแดดอันแผดกล้าส่วนปราสาทหลังที่สสร้างขึ้นด้วยอิดอย่างดีหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีเขียว เพื่อกันฝนอันตกหนักในฤดูมรสุมในปร า, าสาทหลังสุดท้ายนี้พระราชาทรงมุ่งหมายให้พระโอรสประทับอยู่ตลอดฤดูฝนให้เป็นสุขปราศจากความรบกวนของความชืน้นและความเยือกเย็นแห่งละอองฝนรอบบริเวณปร า, าสาททั้งสามหลังนี้ทรงจัดให้เป็นสวนอันรื่นรม ประดับด้วยไม้ร่มเงาและไม้ดอกนานาชนิดพร้อมทั้งสระอันมีน้ำถ่ายเทได้สะดวกปลูกบัวทุกๆสีในสระเหล่านั้นเพื่อว่าพระโอรสจะได้ออกดำเนินเที่ยวหรือขี่ม้าเล่นได้ทุกคราวที่ทรงประสงค์พระโอรสจะทอดพระเนตรความงามของมวลดอกไม้ที่นี่ได้ทุกทิศทุกทาง